ปบั t ี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านปิงขิยมโนบนั้นได้ทรงเน้นไปที่ให้มองเห็นความจริงแห่งทุกขสัตย์ ที่ปรากฏเป็นความทุกข์ในรูปของการเบียดเบียนกันซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏในที่ทัท่วไปและง่ายต่อการทำความเข้าใจซึ่งการมองผลเหล่านี้ถ้ามองกันในแง่ของความลึกซึ้งก็จะพบว่ามันเกี่ยวข้องกับสังสารวัฏที่สำนวนพระอราหันต์ทั้งหลายท่นใช้คาว่าเป็นโทษของวัตะ เพราะสิ่งเหล่านี้ที่จริงเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากวัตฏะคือถ้าบุคคลหยุดหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏคือไม่มีการเกิดผลคือความทุกข์ต่างๆจะกระจายออกไปอย่างไรก็ตามก็ชื่อว่าไม่มีแต่ถ้ามองในชั้นที่สูงขึ้นกว่านั้นหน่อยก็จะเห็นว่ามาจากตัวของกิเลส ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลเบียดเบียนกันในขณะนั้นๆหมายความว่าแม้เขาจะเกิดมาแล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่าใจเขาไม่ปรุงด้วยอำนาจของกิเลสความรุนแรงการเบียดเบียนต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามองในแง่ของการขาดความรับผิดรับชอบก็เรียกว่าไม่รู้บาปุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ ก็จะมองผลเหล่านั้นเกิดจากบุคคลอื่นหรือปัจจัยภายนอกก็ น, นี่เป็นเหตุการณ์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ปรากฏในที่ดูทั่วไปเช่นเวลาความเดือดร้อนหรือภัยอันตรายตลอดถึงจิตติดคุกติดตารางเป็นต้นเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นถ้าคนที่มองโดยขาดความรับผิดชอบในกฎของกรรมก็จะโยนลูกออกนอก โยนให้โชคเคราะห์โยงให้บุคคลอื่นโยนให้คนที่ใส่ร้ายต่างๆเป็นต้นถ้าก็ความมืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญาเป็นเช่นนี้เวลาคิดวิแก้ปัญหาก็จะสร้างปัญหาให้เพิ่มขึ้นเนื่องจากแกไม่ได้มองถึงต้นเหตุของปัญหาแต่แกมองตัวปัญหาว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาเวลาแก้ก็ไปแก้ที่ผลในสุดก็สร้างปัญหาต่อเนื่องกันไป โลกจึงประกอบด้วยเวรภัยการเบียดเบียนการประทุสร้ายกันอย่างต่อเนื่องเพราคนส่วนมากไม่ได้ศึกษาให้เป็นกระบวนการของเหตุผลอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้แต่สำหรับพระปิงนกิจท่านถามเพื่อเป้าหมายเบื้องสูงสุดมีความรู้สึกหน่อยหนายในสังสารวัตรที่มองเห็นเป็นวงกลมซ้ำซๆำ ซ, ำ ซ, กซากษา เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเป็นพฤติกรรมซ้ำซ้ำซ้อนซ้อนจึงการมองเหล่านี้บางครั้งผู้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไม่จาเป็นจะต้องมองไกลขนาดนั้นก็ได้เพราะแท้จริงแล้วชีวิตของบุคคลเราแต่ละวันก็เป็นวัตจคือหมุนวนกันอยู่มีพฤติกรรมซ้ำซ้อนเป็นอันมากที่กระทามาตลอดชีวิต ตื่นเช้าเคยทำยังไงก็ทําอย่างนั้นตอนเย็นทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นก่อนจะนอนทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นนี่แสดงเห็นว่าเป็นพฤติกรรมซ้ําซ้อนหมุนวนประสบความสุขความทุกข์สุขมากทุกข์มากทุกสุขน้อยทุกน้อยกันอยู่อย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการหมุนวนด้วยแรงของกุศลอกุศลทำให้ชีวิตของบุคคลประสบความสุขควา ม, วามทุกข์ในแต่ละขณะแตกต่างกัน แล้พวกขณะเหล่านี้เมื่อเหยียดยาออกไปก็เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติเป็นหลายๆชาติในจุดใ่ใจความก็คือเกิดขึ้นมาจากกุศลอกุศลที่ปรุงแต่งจิตในขณะนั้นๆแล้วก็ปรุงแต่งกันจนยาวนานกลายเป็นอาสวะกลายเป็นอนุสัยกลายเป็นสังโยชน์เป็นต้นดังนั้นเมื่อท่านมองเห็นเป็นความทุกข์ในลักษณะซ้ําซ้อนหมุนวนกันอยู่ จึงเกิดนายในพบนายในความเกิดเก็ แ, แสดงเห็นว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะการฟังพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่มโน บ, บีกิสิบห้าท่านดูด้วยหรืออาจจะเกิดขึ้นมาจากจิตสํานึกของท่านอยู่ก่อนก็เป็นได้ทั้งสองทางเพราะการที่ท่านยอมสละทรัพย์สมบัติต่างๆออกบวดเป็นชัดินอยู่นะั้น จะเป็นการชี้เห็นว่าจะต้องมองเห็นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งความทุกข์ในลักษณะนั้นบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นจากประรบเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นการที่บุคคลใช้ความเพียรพยายามลงทุนลงแรงไปด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่กคได้หลับได้นอนไม่ก็ยได้พักพรอนแต่เป็นการกระทำเพื่อหล่อเลี้ยงสิ่งที่ไม่เที่ยง กร่นปรือบำรงบำเรอในสิ่งที่ไม่เที่ยงตัวเองก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เราร่นปรือบำรงบำเรออยู่ก็ไม่เที่ยงแต่ว่าเรียวแรงความเพียรพยายามนั้นได้ใช้ไปมากแล้วอาจจะประรบเหตุนี้ก็เกิดเบื่อหน่ายก็ได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างความคิดของท่านจิตตหัตถกะเทระที่ต้องเสียเวลาเที่ยวเข้าเาที่ยวออกระหว่างวัดกับบ้านอยู่ถึงหลายครั้ง เพราะไปเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงถึงเมื่อท่านปรงตกท่านเข้าใจได้ท่านก็ทายถอนความกำหนัดในบุคคลนั้นลงไปได้พระปิงะป่งกิยะมโนบนั้นออมองเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายด้วยมองเห็นความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นสังสารจักรคือหมุนวนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดด้วย ซึ่งความทุกข์ในลักษณะนี้บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนบุคคลโยนกลุ่มได้ขึ้นไปบนอากาศแล้วมันก็ตกมากลุ่มได้กลุ่มได้นั้นก็มีความสับสนจะดึงจะสางให้เหมือนเดิมก็ทำได้ยากจิตใจของบุคคลที่ถูกกำนาดของกิเลสปรุงแต่งจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ตามก็มีลักษณะอย่างนั้นยิ่งปรุงในช่วงยาว ก็จะมีความสับสนสลับซับซ้อนมากจริงขึ้นอย่างที่เทวดาตนหนึ่งได้มากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าโลกนี้รกชัดทั้งภายในรกชัดทั้งภายนอกใครเล่าจะสาม า, า, มารถสางรกชัดที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกได้ข้อนี้เป็นการเชื่อเห็นว่าเป็นการมองในแง่ของความจริงของชีวิตว่า ชีวิตของบุคคลเรานั้นรกชัดไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่เก็บสะสมไว้ภายในก็มากเหลือเกินทางอารมณ์อันเป็นที่รักใคร่พอใจระอาเกลียดชังหรืออารมณ์ที่เป็นเฉยๆอืดนาดขัดข้องและยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ยังมีอารมณ์เพิ่มเติมอยู่ตลอดที่ะเวลาที่ผ่านมาทางประสาสัมผัสห้าจึงก่อให้เกิดอาการที่เรีย ก, ย ก, ยกว่าร ก, กชัดยากต่ อ, อการที่จะสะสาง วันนี้เป็นการมองใกล้ๆกับเราเข้าไปในป่าดงดิบยากตระการที่จะเข้าไปเพราะมีสิ่งขีดขวางต่างๆเป็นอันมากและจากจุดนี้เองทังสาธุรชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงอุปมาวิจิกิจชานิวรนคือจิตที่เครือแคลงสงสัยในคุณของพระทนตรัยเป็นต้นว่า เหมือนทางที่ธุรกนดานคือทางที่รกชัดด้วยฝากน้ำหลบ ป, ปอภัยอันตรายต่างๆ่าต้นไม้ตะวันก้อนดินก้อนหินเป็นต้นซึ่งเป็นการสอนในเชิงที่เป็นรูปธรรมมาเห็นว่าสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นยากต่อการก้าวเดินไปให้เกิดความปลอดภัยได้เช่นใดใจของบุคคลที่มีลักษณะรกชัดปรากฏอยู่ก็จะเป็นเช่นเดียวกันเันนั้น นั้นธรรมะปฏิบัติจึงเน้นไปที่การสางรกชัดการพยายามแผลวถางการตัดรอนการนิดรอนสิ่งเหล่านั้นอย่างน้อยก็ให้เบาบางลงไปหน่อยเพื่อจะไม่เกิดเป็นอาการที่รกชัดเกินไปแต่การมองนั้นทรงสอนให้มองในแง่สูงสุดถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆคือมองเห็นโทษที่อย่างรากได้ลึกจริงๆ พ็ตามปกติพวกนี้ถ้าโทษไม่ประจักษ์แก่ใจจริงๆแล้วยากต่อการที่จะถ่ายถอนความกำหนัดความยึดจิตในอารมณ์เหล่านั้นเพ ร, ราะไร้พระตามปกติแล้วกิเลสประเภทราคะหรือเราเรียกว่าโลภะคือสรุปว่ากิเลสประเภทคว้ากมหาตัวนั้นจะมีลักษณะหนืดเหนียวรูใล้ๆจะตัดได้ง่ายแต่จริงๆแล้วก็ตัดได้ยาก ขนาดพระยาบุคคลเองก็ต้องระดับพระนาคามีจึงตัดได้แต่าราคะที่ละเอียดนั้นพระอราหารันตานั้นจึงจะตัดได้พระนาคามีเพียงตัดการราคะส่วนหยาบเท่านั้นเองแต่การยึดติดในฌานในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นมีเพียงพระอรหันตานั้นจึงจะตัดได้เพราะไรเพราะว่ากิเลสประเภทนี้มีลักษณะเหนียวหนืดแล้วก็ดึงขาดได้ยาก ดังนั้นท่านจึงสอนให้บุคคลพยายามมองเหตุโทษที่ปรากฏเป็นรูปของการเบียดเบียนออกมาได้อย่างเด่นชัดโดยให้ดึงเข้าหาตัวเหตุของความเบียดเบียนตัวเหตุที่เกิดการเบียดเบียนนั้นเฉพาะในที่นี้ทรงใช้คำว่าตันหาแต่ข้อที่ผูปป้ปฏิบัติพึงเข้าใจว่าตันหานั้นคือตัวแทนของกิเลส ท, ทั้งหมดที่เรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้ เพราะอาการของตัณหานั้นเด่นชัดทําปฏิกิริยาต่อจิตได้แรงโดยที่ทั่ทวไปจึงมักพูดถึงเรื่องของตัณหาการเขียนฆ่าการทะเลาะวิวาทกันตลอดจงกลายเป็นสงครามในโลกระหว่างประเทศต่อประเทศระหว่างค่ายต่อค่ายจนกลายเป็นสงครามโลกนั้นที่จริงแล้วก็เกิดมาจากก a r m a ตัณหาเกิดมาจากภวะตัณหา ในกรณีที่ต้องการผลประโยชน์ใจฝ่ายหนึ่งต้องการใช้ชำนะต้องการจะได้ผลประโยชน์จากพื้นที่บ้างจากดินแดนบ้างก็เป็นเรื่องของการมาตญหาที่มีความปรับดันสูงจนขาดการประนีประนอมขาดเหตุผลยกพวกขึ้นห้ามหันกันข้าวฟันกัน แต่สงครามเหล่านั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งสติปัญญาเพิ่มขึ้นบุคคลสองฝ่ายใช้สติปัญญามาพูดกันที่โต๊ะมันก็ลดการยุ่แยงในลักษณะที่รุนแรงลงไปได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่สำคัญคือการเพิ่มและการลดของการมาตัณหานั่นเองเป็นเหตุสร้างสรรและเป็นเหตุยุติปัญหาได้จหมายความในกรณีที่ตัณหามีกาลังสูงสติปัญญาก็จางไป ไม่มีกำลังมากพอที่จะต่านทานกระแสะของตัณหาได้แม้ระพุทธมีพระพักร์เจ้าทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องข้ามเป็นเครื่องสกัดกัน้นตัณหาเอาไว้และตัณหานั้นจะละได้โดยปัญญาก็ตามแต่ก็เหมือนกับไม้ท่อนมันใหญ่เรามีดเล็กๆไปตัดมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตัดขาดในกรณีนี้ก็เหมือนกันสติน้อยปัญญาน้อย ที่กำลังอ่อนตันหาแรงก็ไม่อาจที่จะสลายได้ก็เหมือนกับนัยยะอื่นๆอย่างที่ทรงแสดงอุปมาบาปกับบุญที่เหมือนกับความขุ่นข้นของน้ำกับความใสของน้ำอาการที่บุคคลจะได้ดื่มบริโภคใช้สอยน้ำที่บริสุทธิ์นั้นแสดงบ้าน้ำขุ่นข้นจะต้องมีอยู่น้อย ปริมาณน้ำใสจะต้องมีกระบังมากพออย่างน้อยที่สุดก็ปล่อยให้ความพูกตกรทั้งหลายตกอยู่ข้างล่างจึงจะสามารถบริโภคดื่มกินใช้สอยน้ำเหล่านั้นได้จิตใ จ, จของบุคคลที่จะควรแก่การงานคือควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามกัรลองแห่งธรรมได้นั้นแห่งธรรมได้นั้นความรุนแรงของตัหาจะต้องอ่อนลง้าไมงั้นก็ําไม่ได้ แล้พอตัะหาอ่อนลงสติปัญญาแกก็เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงว่าสติปัญญาก็เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นคนหล่อนนั้นก็ประนีประนอมกันและมานั่งพูดกันได้โดยลดความต้องการของตนเองลงไปแล้วก็มีประการมีการประสานประโยชน์กันคราวนี้พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในมหาทุกขขันได้สูตรว่าแต่ละอยานะ่างนั้นก็เนื่องมาจากกิเลส ท, ทั้งหมดจะออกมาในรูปอะไรก็ตามแต่พอกิเลสลดธรรมะก็เข้าครองใจ มันปิดกั้นกระแสของตัณหาได้พระสติมีกำลังสูงขึ้นปัญญามีกำลังสูงขึ้นก <c oughs> ็ตัดกระแสของตัณหาได้หรืออย่างน้อยก็ปิดกั้นกระแสของตัณหาเอาไปได้ทีนี้ในกรณีของภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นเจ้นได้ว่าที่เกิดเป็นความรุนแรงนั้นคือต้องการเป็นในเรื่องเดียวกันหรือต้องการเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน จึงจะกลายเป็นความรุนแรงออกมาแต่ถ้าแต่ละคนต่างก็ต้องการเป็นในตามความรู้สึกของตัวเองไม่ไปขัดขวางผลประโยชน์อะไรไม่ไปยุ่ยแย่งอะไรกับใครความรุนแรงรอบหน้าของภาวะตันหาก็ไม่เกิดเพราะแต่ละคนก็วิ่งไปสู่เป้าหมายของตัวเองโดยไม่ขัดขวางไม่เบียดเบียนกันแต่ยามใดที่มีภาวะตัหาแรง ต้องการเป็นในจุดเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันในสุขก็จะต้องต่อสู้กันใครมีกำลังมากก็อยู่ได้ใครมีกำลังน้อยก็ถอยไปหรือความอยากในพวกเดียวกันคือในการงานในบุคคลที่เป็นพวกเดียวกันก็มีการขีดการตัดรอนกันโดยใช้อำนาจอิทธิพลเป็นต้นและในสุขก็สร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองสร้างความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นที่จริงก็เป็นการเบียดเบียนกันในลักษณะนี้ เมื่อสืบเสาะลงไปถึงต้นเหตุบุคคนก็จะพบตัวภาวะตันหาที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดเป็นอย่างนั้นบางครั้งเพราะความอยากเป็นมากเกินไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นโดยวิธีปกติธรรมดาก็คงจะเป็นไม่ได้ไอกิจกรรมที่เพิ่มความโลภความชั่วต่างๆติดตามมาเช่นมีการ ขายก็อสอบกันมีการสแสวงหาผลประโยชน์กันมีการเรียกร้องเงินทองกันมีการวิ่งเต้นให้ช่วยเหลือกันเป็นต้นมองกลับไปกลับมาก็มาเจอเอาตัวตันหาที่เป็นต้นเหตุดั่นเด็กจะเบียดเบียนมากระเบียดเบียนน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับแรงของกิเลสในกรณีของวิภวะ ต, ตันหาในความไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นแต่แก่ความรู้สึกไม่ยินดีในสถานะที่ตนเป็นอยู่มีอยู่ ซึ่งว่าที่จริงถ้ามองให้ซึ่งลงไปแล้วก็จะพบว่าฐานะนั้นเองเคยเป็นภาวะตันหามาก่อนเช่นสมมุติเราเป็นข้าราชการต้องการจะเป็นสีเจเป็นอยู่หลายปียังไม่ได้เลื่อนสักทีหนึ่งในสุดก็เกิดวิภวะตันหาในสีเจแต่ในขณะที่เกิดวิภวะวิภวะตันหาในสีเจ็ดนั้นมันก็เกิดภาวะตันหาในสีแปซึ่งก็หมายความว่าก็โดนกระหนาบจากตันหาทั้งสองข้าง สถานะตำแหน่งที่เกินที่ที่ตนเป็นอยู่ในขณะนั้นๆก็เกิดเหนื่อยหน่ายระอาทอดทิ้งกิจาการงานไม่ยอมประกอบกระทําเพราะว่าใ จ, จไม่ยอมรับไม่มีความยินดีในการงานเหล่านั้นอิทธิบาทมันก็เดินไม่ได้เพราะขาดชันทะในชันทะขาดวิริยะก็ขาดจิต ใ, ใจมุ่งมั่นก็จะขาดการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาก็ขาดจะทําให้บุคคลบางคนก็ทํางานในลักษณะช้าชามเย็นชามก็อยู่ไปอย่างนั้นเองเพระหมทอะไรตาอยาก เนื่องจากภวตันหาก็มีกำลังแรงแต่ในขณะเดียวกันตัวภาวะตันหาที่ผลักดันเกิดขึ้นสูงนั้นปัญญากรให้เกิดการวิ่งเต้นขวายคว้าในรูปเดิมและกลายเป็นการสร้างความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆทั้งส่วนตนเองและบุคคลอื่นเช่นที่กล่าวมาเพรดังนั้นเมื่อส่งถ่ายทรงสะท้อนภาพของการเบียดเบียนที่ปรากฏอยู่ในลักษณะต่างๆพอสืบเสาะลงไปก็ไปสรุปไปที่ ตัณหาเป็นต้นเหตุพอตะหยุดตัณหาได้ความเบียดเบียนเดือดร้อนเหล่านั้นก็จะหยุดไปแต่เนื่องจากท่านปิณกิยาท่านจ้องต้องการเป้าหมายสูงสุดมันเป้าหมายสูงสุดจึงทรงสอนในรูปเหตุที่สูงสุดคือบรรลกเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือมาสรุปรวมที่ความไม่ประมาทจะตั้งปัญหาถามว่าทำไมจึงมาเน้นที่ความไม่ประมาท เพราะคำสอนโดยในยะาหนึ่งนั้นความไม่ประมาทเป็นที่รวมของคําสอนที่เป็นกุศลทั้งหลายเช้นเดียวกับรี ม, กมักในองค์แปดเพราะอะไรเพราะความไม่ประมาทนั้นทรงอุปมาว่าเป็นเหมือนกับรอยเท้าช้างซึ่งใหญ่กว่ารองเท้าทั้งหลายรองเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้สัตว์ไรอื่นก็ตามในโลกนี้เมื่อเหยียบลงไปในรอยเท้าช้างแล้วก็ไม่สามารถจะปิดรอยเท้าช้างได้ กุศลละธรรมทั้งหลายว่าจะพูดโดยนยัยยะใดก็ตามในทีสุดก็มารวมที่ความไม่ประมาทได้จะเป็นการรวมโดยสรุปความไม่ประมาทบางครั้งที่ทรงแสดงรวบยอดก็ทรงแสดงว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นทางแห่งความไม่ตายแต่ความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนที่ไม่ประมาทแม้จะตายหรือมีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าไม่ตาย แต่คนที่ประมาทจะตายได้มีชีวิตอยู่ก็ชีวิตตายนี่ก็เป็นการกําหนดด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและทางบาปธรรมให้เป็นเครื่องกําหนดค่าของชีวิตว่าอยู่หรือตายอส่งเน้นที่ความไม่ประมาทซึ่งถือว่าต้องสูงสุดสําหรับพระปิงกิยะแต่ว่าในการปฏิบัตินั้นเขาไม่ใช่มุ่งไปถึงจุดสูงสุดอย่างนั้น เเรื่องค่อยเป็นค่อยไปตามลักษณะของสันเลกธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาร์ใจของบุคคลตัวการสำคัญนั้นจึงอยู่ที่ความเห็นในทางที่ชอบกรณีท่านสาธาชนทั้งหลายเป็นสังเกตว่าเส้นทางของกุศลกับอกุศลนั้นมีสุดยอดของเขาด้วยกันเหมือนกับความเชื่อในาศาสนาบางาศาสนามีพระเจ้า ก, ก็มีมาน ใพุทธศาสนานั้นเมื่อมีพระพุท ธ, ธเจ้าก็มีพยามารซึ่งเป็นการแสดงถึงกลุ่มของธรรมะสองฝ่ายชั้นสุดยอดที่เป็นรูปธรรมให้เห็นเพราะพฤติกรรมของพยามานั้นจะมีการล้างพรานประทุสร้ายขัดขวางตัดรอนเบียดเบียนเนข้นฆ่ากันดยประการต่างๆเป็นอกุศลและธรรมที่เดินได้ที่เคลื่อนที่ได้ แสดงออกมาได้ทางทางกายท า, ทางทางวาจาเพราะภายในใจนั้นถูกครอบงมด้วยอกุศลส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นสุทธะธรรมาภวตันติคือธรรมบริสุทธ์ล้วนๆที่หมุนไปดำเนินไปการเคลื่อนไหวทุกอย่างของพระพุทธเจ้าจะออกมาทางพระวรากายทางพระวาจาล้วนแต่เป็นการสะท้อนจากพระทยัยที่บริสุทธิ์และเต็มเปี่ยมด้วยพระมาหากรุณา มีปัญญาเป็นหลักที่ถาวรเพราะนการแสดงออกทั้งหมดของรูธเจ้าตลอดการยาวนานจึงบวกตลอดเป็นอย่างที่พูดกันว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูนแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่อเป็นการเคาะต่อชาวโลกนั้นทั้งสองสายเนี่ยนั้นก็มีอยู่ในโลกนี้เวลาทรงแสดงเป็นสูตรนั้นทรงเรียกว่ามิจฉัตะกระสมัตตะ ม่จะต่านั้นคือเริ่มที่ผิดเริ่มที่ผิดตรงไหนคือเริ่มที่ความเห็นผิดพะคนเราเห็นผิดก็คิดผิดคิดผิดก็พูดผิดพูดผิดก็ทำผิดทำผิดก็เลี้ยงชีวิตผิดเลี้ยงชีวิตผิดความพยายามก็ผิดความพยายามผิดสติก็ผิดตั้งสติก็ผิดจิตอาจจะสงบแต่สงบในทางผิด เห็นว่าการเล่นศยลศาสตร์การฝังรูปฝังรอยกานเสกเป่าเพื่อพิทั่ษประทุษร้ายคือฝ่ายหนึ่งเป็นต้นที่เราพูดว่าสายดำและในขณะนั้นใจแกอาจจะหลุดพ้นจากเกิดความรู้ของแก่ก็กลายเป็นรู้ผิดเพราะความรู้อะไรก็ตามถ้าไม่สามารถลดละ ก, กิเลสลงไปได้ถือว่าผิดเพราะจิตใจของบุคคลไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปพฤติกรรมก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลง จากความรู้ในลักษณะนั้นเมื่อเขาได้สถานะสูงในสังคมแทนที่จะสร้างสรรค์พัฒนาสังคมก็จะเบียดเบียนประทุจรายสังคมนั้นจิตที่หลุดพ้นจากอํานาจของความไม่รู้บางอย่างของเขาจึงเป็นการหลุดพ้นในทางที่ผิดรวมแล้วก็สิบประการเหมือนกันแต่ในสายที่เป็นธรรมะก็ทรงแสดงไว้สิบที่เริ่มต้นด้วยความเห็นชอบกับความคิดชอบ ซึ่งไปเป็นเป็นปัจจัยให้เกิดการพูดในทางที่ชอบทำในทางที่ชอบเลี้ยงชีพในทางที่ชอบพยายามในทางที่ชอบตั้งสติระลึกอยู่ในทางที่ชอบและจิตใจมั่นคงในทางที่ชอบในขณะนั้นก็เกิดความรู้ในทางที่ชอบขึ้นจิตใจก็จะหลุดพ้นจากอานาจของกิเลสที่เราเรียกว่าสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นในทางที่ชอบนั้นในการทาตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงต้องเริ่มในสัมมาทิฏฐิ เวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงความไม่ประมาทกับสมาธิจินั้นจะทรงใช้คำในทํานองเดียวกันอนุกรริกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทาอื่นที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มพูนกุศลธรรมทั้งหลายเหมือนกับสมาธิจิบ้างเหมือนกับมิเจอเหมือนกับอัปมาตบ้างหรือเหมือนกับโยนิโสปนัสิการบ้าง จึงจะเห็นว่าแต่ละอย่างก็เป็นเรื่องของสติปัญญาทั้งหมดโยนิโสมนสิการก็เรื่องสติปัญญาแต่เน้นไปที่ปัญญาสมาธิิก็เป็นเรื่องของปัญญาความไม่ประมาทนั้นก็เน้นไปที่สติแต่เนื่เนื่องจากธรรมะทั้งสององนี้เป็นของคู่กันเยวสติพูดก่อนก็ได้ปัญญาพูดก่อนก็ได้ผลก็คือกันเมื่อบุคคลได้มีความไม่ประมาทในการที่จะลดละบันเทาความเห็นผิด ซึ่งแน่นอนนักเกินเนื่องจากแกเป็นกลุ่มของอกุศลธรรมภายในใจเราก็มีกลุ่มอกุศลธรรมอยู่มากความเพี้นปิดก็ต้องมีอยู่เป็นธรรมดาแล้วอาจารจะทรงสอนให้มองในแนวที่ละเอียดนแนวที่ละเอียดแบบไหนแนวที่ทรงสอนให้ดูจิตนั่นเองเช่นว่าจิตมีราคาคอยรู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะจิตไม่มีราคะคอรู้ว่าขณะ น, นี้จิตเราไม่มีราคะเป็นต้น ให้ความมาดูให้ประจัดชัดแก่ใจทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีบางเกิดขึ้นก็ประคบประคองรักษาไว้ฝ่ายไม่ดีบางเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าดูหมิ่นว่าน้อยอย่างที่ทรงสอนเอาไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิน่นวา่ากษัตริย์ยังทรงพระเยาวิกษุว์อยังหนุ่มไฟว่าวกองน้อยอสศรพิษวาตัวเล็กบาปอากุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็อย่าดูหมิ่นว่ามันน้อยเล็กน้อยไม่เป็นไร ราะบาปรกรรมเพียงเล็กน้อยนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในตัวของมันเองนั้นประการหนึ่งและบาปรกรรมเพียงเล็กน้อยนั้นก็จะแผดเผาบุคคลในภายหลังได้อย่างที่ทรงแสดงเป็นรูปอนิธานบุคคลไว้เป็นอันมากที่มัวมอประมาทในบาปรกรรมที่ตนกระทำก็ถือว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรคือไม่ใช่เป็นเรื่องเราวินิจฉัยแต่ทินตเราเอง กฎของกรรมนั้นเป็นกฎที่ไม่ใครไม่มีใครไปขัดขืนได้นอกจากไม่ทําเสียแือถ้าไม่ทําเราก็ขัดขืนได้แต่ถ้าคืนทําไปแล้วเราก็หยุดเขาไม่ได้เขาจะต้องทําหน้าที่ของเขาไปดังนั้นเมื่อบุคคลไม่ประมาทไม่ดูหมิ่นบาปเพียงเล็กน้อยไม่ดูหมิ่นบุญเพียงเล็กน้อยคือถือว่าสามารถให้ผลได้ทั้งสองฝ่ายสามารถเพิ่มภูนพวกตัวเองขึ้นได้ทั้งสองฝ่าย เมื่ อ, อกุศลในจิตบังเกิดขึ้นก็ไม่ประมาทในการที่จะเพิ่มไม่มากยิ่งขึ้นเมื่ อ, อกุศลในจิตบังเกิดขึ้นก็ไม่ประมาทในการที่จะลดละบรรเทาผ่อนคลายให้เกิดเบาบางจางคลายลงไปจากจิตใจของตนเมื่อความคิดเกิดขึ้นได้เช่นนี้เวลาแสดงออกทางกายก็จะควบคุมไม่ประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นทุจริต ทางกายว่าจะเกี่ยวกับร่างกายคนเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนอื่นเกี่ยวกับคู่ครองของคนอื่นก็เป็นการปฏิบัติที่ระมัดระวังไม่เกิดบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็นี้เพิ่สังเกตว่าในแง่ของการให้ผลของบาปนั้นบางครั้งดูแล้วก็ไม่น่าจะแรงแต่เรื่องของกรรมก็คือเรื่องของกรรมใครไปรหยุดแกไม่ได้ทังกล่าวแกก็ให้ผลได้ เวลาจะพูดทางวาจาก็พยายามระมัดระวังไม่พูดในสิ่งที่เป็นบาปแม้เพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นบุญเป็นประโยชน์ก็พยายามพูดไปนี้ก็คือเป็นการพยายามปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทซึ่งอยู่ในวิสัยที่สาธุชนทั่วไปจะทําได้เมื่อกระทําไปแล้วก็จะมีการสั่งสมส่วนของความดีให้มากยิ่งขึ้นลดละบันเทาให้ส่วนของความชั่วเบาบางจางคลายลงไป ใจก็จะสัมผัสความสุขได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป